นิเนื้อเล็กน้อยผจนภัยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใจกลางทะเลลึกมีอาณาจักรแสนงามของราชาแห่งท้องทะเลที่อยู่อาศัยกับลูกสาวหกคนและแม่แก่ๆของเขาราชารักลูกของเขาทุกคนแต่เขารักลูกสาวคนเล็กของเขาเป็นพิเศษนางเงื้อตัวน้อยเอวาวันหนึ่งเป็นวันเกิดของลูกสาวคนที่ห้าของเขา ทุกคนไปรวมตัวกันที่วังหลวงเพื่อฉลองวันเกิดให้เธอสุขสันต์วันเกิดลูกน้อยของพ่อขอบคุณมากนะคะท่านพ่อสุขสัวันเกิดครับเจ้าชายแม่แก่เจ้าหญิงสุขสัวันเกิดเจ้าหญิงขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเลยพ่อรู้สึกภูมิใจที่จะประกาศวันลงสาวกติหาของพ่อมารีนาอายุ18แล้ววันนี้ ก็จะส่งนางไปผิวน้ำเพื่อจะดื่มดากับแสงอาทิตย์และลมเย็นสดชื่นเช e e r s สทุกคน <Cheers. S 3> <Cheers. S 2> ขอบคุณมากนะคะท่านพ่อจำเอาไวนะ้นะมีกฎของท้องทะเลที่เราต้องทำตามโลกมนุษย์ไม่เหมือนกับโลกแห่งท้องทะเลของเราเราเป็นส่วนหนึ่งของท้องทะเลและเราจะอยู่ที่ทะเลต่อไประวังอย่าเข้าใกล้มนุษย์ละ่ะเออพ่อคะ หนูไปกับมารีนาได้ไหมยังไม่ถึงเวลาของเจ้าลูกรักแต่หนูยักเห็นมนุษย์นะโอ้เอวาเมื่อเจ้าอายุ18ปพ่อสัญญาว่าจะให้เจ้าไปที่นั่นเอ้ไม่นะม่อมฉันรู้สึกเสียใจแทนท่านท่านพ่อไม่รักฉันทุกคนรู้ว่าเขารักท่านยิ่งกว่าอะไรแต่ไม่ก็เชื่อเราจะต้องทำตามนะท่าน อีกปีเดียวก็ถึงตาท่านแล้วนะจริงเหรอเย่มาเร็วมาเล่นเกมโยนฟิชโบกันเ <c oughs> จ้าหญิงเอวานั้นสวยงามสิริโฉมมากเธอใจดีกับสัตว์ทะเลทุกตัวและทุกคนรักเธอเออคุณย่าคะมนุษย์หน้าตาเหมือนเราไหมโอ้ไม่ พวกนั้นมีขอเราไม่มีโอ๊้แสดงว่าพวกนั้นเหนือกว่าเราเหรอคะไม่เลยพวกนั้นยังไม่เรียนรู้เลยว่าจะปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างไงพวกนั้นเนี่ยทำให้ทะเลของเราเป็นพิษได้ยินว่าพวกนั้นอายุยืนกว่าเรานะคะโอ้ไม่เลยจ้ามนุษย์นั้นเนี่ยอายุไขไม่เกินหนึ่งรปีหรอกอืมแล้วเราอยู่ได้นานแค่ไหนพระเจ้ากําหนดให้เราอยู่ได้นานถึง300อปี เมื่อเงือกตายนั้นเราจะกลายเป็นฟองทะเลและจางหายไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราทำดีมาตลอดชีวิตเราจะกลายเป็นอมตะและเทพเจ้าแห่งอากาศจะมารับเราไปอยู่สวรรค์กับพวกท่านโอ้จริงเหรอคะคุณยายโอ้โอโอทีนี้ไปนอนได้แล้วดึกแล้วนะฝันดี ัดีคุยยเพราะเธออยากจะเห็นมนุษย์เอวาเลยนับวันนับเวลาแต่ละวันเมื่อเวลาผ่านไปนางเงือกตัวน้อยอยากจะเห็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยคืนก่อนที่จะถึงวันเกิดที่18ของเธอเธอนอนไม่หลับทั้งคืนทันทีที่เธอได้ถึงห้องบลลังพี่สาวของเธอก็รีบมาสุขสันต์วันเกิดให้เธอ happy birthday ขอบคุณนะพี่พีที่รักของน้องสุขสันต์วันเกิดเอวาลูกรักของพ่อขอบคุณค่ะพ่อพ่อรู้สึกภูมิใจที่จะประกาศว่าลูกสาวที่อายุน้อยที่สุดเพิ่งอายุ18และมันเป็นเวลาที่เหมาะมากที่พ่อจะทําตามสัญญาได้เลยเจ้าหญิงตัวน้อยไปกันเถอะพ่อจะพาเจ้าท่องโลกเออไม่เนะพ่อพ่อให้ทุกคนไปนคนเดียวนี่คะ่ะ พ่ออยากจะเห็นโลกภายนอกกับเจ้านะเอวา่าไม่ล่ะพ่อตอนพ่ออายุ18ดหนูสัญญาว่าจะพาพ่อไปกับหนูให่ลูกเจ้าเละไปซะแล้วดูแลตัวเองด้วยระวังอย่าเข้าใกล้มนุษย์เจ้าอาจจะเจอปัญหาได้ไม่ต้องห่วงพะยะค่ะมอมฉันจะดูแลอง์หญิงเองโอ้ดีเลยกลับมาก่อนพระาทิตตกละ่ะไม่งั้นข้าจะทำเจ้าเป็นอาหาร เราจะกลับมาก่อนข้ามพยาค่ะเจ้าหญิงนั้นตื่นเต้นมากที่จะเห็นโลกภายนอกเธอว่ายน้ำเร็วยิ่งกว่าเจ้ากุ้งเสียอีกฮะฉันตื่นเต้นมากเลยเรามองฉันก่อนฉันรอไม่ไหวแล้วทันทีที่นันเน้อตัวน้อยไปถึงผิวทะเลทุกอย่างไม่สำหรับเธอไปหมดท้องฟ้าพระอาทิตย์ส่องแสง และนกน้อยน่ารักโอ้พระเจ้ามันวิเศษมากเลยดีกว่าในฝันอีกสุดยอดเลยเฮ้ hey, นั่นอะไรกันนะเรือพิ雅ค่ะผู้ชายคนนั้นโอ้พระเจ้าเขาดูเหมือนตุ๊ ก, กตาของฉันเลยเขาน่าจะเป็นองกชายนะพิ雅ค่ะหน่านจะกำลังฉลองวันเกิดเขาอยู่ด้วยเออเธอหลองไหลในสเสน่ห์ขององค์ชายเธอเลยเริ่มร้องเพลง หลังจากนั้นเมฆดำก็มาก่อตัวที่ท้องฟ้าทั้งท้องทะเล ก, ก็เริ่มเต็มไปด้วยคลื่นสูงพายุมาแล้วฉันรู้สึกถึงคลื่นรุนแรงอโอโอ๋อเรือนั้นระวังด้วยเจ้าชายระวังนะอย่าเข้าใกล้มนันนย์นระวังด้วยแต่ไม่มีใครได้ยินเธอร้องเรียกลมแรงมากจะทำให้เรือกระแทกโขดหินและสุดท้ายแล้วเรือก็ล่มลงไป โอไม่นะเจ้าชายเราต้องช่วยครับเจ้าหญิงตัวน้อยช่วยเขาไว้พาเจ้าชายสุดหล่อไปที่ชายหาดในโปรดนะลืมทานนะเจ้าชายเธอรอให้เจ้าชายได้สติอีกครั้งเจ้าหญิงมีคนกำลังมาพะยะค่ะฮะโอ ฉันต้องไปแล้วนะเจ้าชายดูแลตัวเองด้วยโอ้มีคนตายบนทะเลเขายัางไม่ตายนี่พาเขาไปวัดกันคันทีที่เจ้าชายตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าเจ้าชายไม่รู้ด้วยซ้ำว่านางเงือบน้อยตังหากที่ช่วยเขาอ๋ อ, อไม่นะท่านช่วยเขา แต่ผู้อีคนนั้นได้หน้าไปช่างมันเถอะแค่เห็นเขาไม่เป็นไรก็ยินดีแล้วล่ะพระอาทิตย์กำลังตกพวกเธอเล็ ก, กลับไปที่อาณาจักรนาเงเยือกน้อยเศร้าใจมากมเธอรู้ว่าเธอจะไม่ได้เห็นเจ้าชายอีกฉันรักคุณองชายฉันอยากอยู่กับคุณ<ม>เขารักฉันเขาไม่รักฉันเขารักฉันเขาไม่รักฉันเขารักฉัน เขาไม่รักฉันข้างในฉันมีความเจ็บปวดความรักมันแย่ขนาดนี้เลยเหรอความรักคือสิ่งสวยงามที่สุดในจักรวาลโอ้พระเจ้าฉันแค่อยากจะอยู่กับคนรักของฉันแต่ยังมีกฎของท้องทะเลนะพะยะค่ะฉันไม่สนอนะ่ะฉันอยู่ได้ไม่มีเขาไม่ได้หม่อมฉันมีความคิดหนึ่งแต่มันเสียงมากราชาต้องทำหม่อมฉันเป็นกู้กระทะเนี่ย บอกมาไม่ต้องห่วงเรื่องพ่อฉันหรอกเนะโอเคมีผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะช่วยท่านได้แต่การลูมสิงกับเธอนะอันตรายเกินไปฉันพร้อมที่จะเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเจ้าชายบอกมานางคือใครแม่หมดท้องทะเลแห่งวูเขาสีดำมันเสี่ยงกันไปที่จะไปที่นั่นไม่คิดหน้าคิดหลังเลยนางเงือกตัวน้อยกับเจ้า ก, กุ้งก็ออกจากพระราชวางังแล้วรีบไปที่รันของแม่หมด แม่มดเห็นผ่านลูกแก้วพิเศษว่าองค์หญิงกาลังไปหาหนางน่าสงสารยิ่งนะมันจบแล้วเจ้าหญิงนั้นเป็นคนที่ถูกรักที่สุดในท้องทะเลและเพราะว่าเธอทำดีเธอจะกลายเป็นนางฟ้าอากาศหลังความตายและมันจะเป็นจุดจบของบาปของเจ้าทันทีที่นางเป็นนางฟ้าเจ้าจะเสียชีวิต ยอมให้มันเกิดขึ้นด้วยนะโ อ, โอ้แม้แม้แมทําไมยทิดาของราชาถึงมาแดนแม่หมดลนะฉันอยากจะเป็นมนุษย์นะโอ้เมื่อเจ้าชายรูปหล่อสินนะใช่ฉันรักองค์ชายมากมากเลยละ่ะมันจะทำให้เจ้าเศร้านะว่าไงเจ้าหญิงฉันไม่สนหรอกฉันอยากที่จะอยู่กับเขาเท่านั้น โอ้มั่นใจเหรอว่าเจ้าจะเอาชนะใจเขาได้ได้ได้แน่นอนข้าเปลี่ยนให้เจ้าเป็นมนุษย์ได้นะแต่เจ้าต้องมีสิ่งตอบแทนข้าข่าจะใจทุกอย่างที่ทำได้โอเคข้าจะเอาเสียงเพ้โเพของเจ้าเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเาจำไว้นะ ถ้าองค์ชายรักเจ้าได้เจ้าจะกลายเป็นมนุษย์และเสียงของเจ้าจะกลับมาแต่ถ้าเจ้าเอาชนะใจคงไม่ได้เจ้าจะใจสลายและตายกลายเป็นฟองทะเลฉันอยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาโอเคเจ้าเดี๋ยวนิเสรนี่ไปนะดื่มตอนที่เจ้าไปถึงชายฝั่ง นางเงือกตัวน้อยเอายามาแล้วรีบไปที่ชายหาดเธอรีบไปที่ชายฝั่งและดื่มยาวิเศษทันใด น, นั้นความเจ็บปวดทำให้เธอหมดสติและหางของเธอก็กลายเป็นขาตอนเธอตื่นขึ้นมาเธอเห็นเจ้าชายตรงหน้าลืมตาที่สาวสวยเจ้าปลอดภัยแล้วว่าแต่ว่าเจ้ามาจากไหน ข้าเจอเจ้าที่ทะเลและพาเจ้ามาที่นี่พักผ่อนก่อนเถอดวันถัดมานางเงือกน้อยก็เริ่มเดินเจ้าชายเห็นเธอและเขารูมีความสุขมากว้าววันนี้ฉันมีความตุกมากเ้นรับกับฉันไหมว้าวเจ้าเจนรําเก่งมากเลยวันนี้เป็นวันดีของข้าข้าเจอคนรักของชีวิตแล้วเย้ yeah! เขารักทนเหมือนกันดูสิพ่อข่ากลับมาแล้วยินดีต้อนรับกลับท่านพ่อข้าอยากจะให้พ่อเห็นคนรักของข้านางช่วยชีวิตข้าอืมข้ารักนางท่านพ่อข้าอยากแต่งงานกับนางลูกหักของพ่อเจ้าสุขข้าก็สุขด้วยนะนางเงืกน้อยใจสลายเกาเจ็บ ไปถึงขั่วหัวใจราชาประกาศการสมรสของเจ้าชายข้าเสียเข้าไปตลอดกาลแต่เมื่อถึงรุ่นอรุณข้าจะต้องตายและข้าจะหายไปเป็นฟองทะเลกุ้งไปถึงวังเพื่อบอกเรื่องราวทั้งหมดกับราชาโอ้พระเจ้าช่วยลูกสาวข้าด้วยข้ารู้ว่ามันเป็นกลลวงของนางแม่มด ราชาอธิษฐานแต่เทพยด า, าแห่งท้องทรเแล้วเอาชมวกของท่านไปที่ผิวน้ำกับเจ้ากุง้งในขณะเดียวกันพี่สาวห้าคนขององค์หญิงก็ว่ายน้าไปที่รังแม่มดน้องสาวค้ากำลังตกที่เนื่อลำบากข้าขอให้เจ้าถอนเวทมนต์ของเจ้าซะไม่โปรดเราจะไม่ลืมน้ำใจของเจ้าเลย <S <S น่าละอายยิ่งนะ องหญิงแห่งทะเลกว้างใหญ่เมื่อขอแม่มดข้ามีเมีดบนแก้ทางนะแต่เพื่อแรกกันนางจะต้องสังหารองค์ชายา <c oughs> าหนังเงือกน้อยฆ่าองค์ชายด้วยมีดวิเศษนี้หลังจากนั้นนางจะกลับมาเปน็นนางเงือกได้เราพี่สาวขององคหญิงรีบไปหาพ่อของพวกนางที่พื้นผิว เรื่องการแก้เวทมนต์พวกนางเจอเอวานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ชายหาดในขณะที่นางกําลังมองวิทีของเล่นเอว่าท่านพ่อท่านพ่อใช่ไหมอย่าร้องไห้ลูกพ่อถ้าเจ้ายากจะแก้เวทมนต์แม่มดจงทําตามที่พ่อบอกเจ้าจะต้องฆ่าองค์ชายแล้วเจ้าจะได้กลับมาเป็นนางเงือกอีกครั้งไม่นะพ่อพ่อรู้ว่าเจ้ารักเขา แต่เขาไม่มีทางเป็นของเจ้าได้ทําเพื่อพ่อเจ้าทนาถ้าไม่มีเจ้าพ่อต้องตายแน่นางเงือกน้อยมองไปที่พ่อของเธอกับพี่สาวของเธอที่กําลังร้องไห้นางเอามีดนั้นมาแล้วรีบไปที่พระราชวังเจ้าชายกําลังนอนอยู่ในห้องนอนของเขาเธอเอามีดนั้นมาแล้วรีบพุ่งไปฆ่าเขาที่หน้าอกพระเจ้าฉันทาแบบนี้กับคนที่ฉันรักไม่ได้ ฉันยินดีตายมากกว่าเขาเขาจะได้แต่งงานกับคนที่รักของเขาอยู่แล้วอย่างมีความสุขโชคดีนะที่รักเธอกลับไปหาพ่อกับพี่สาวทุกคนต่างตกใจที่ไม่เห็นมีดมีเลือดติดอยู่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเจ้าหญิงรีบไปที่ชายฝั่งกระโดดลงไปทะเล ก, กับของเล่นของเธอฉันอยากจะหายไปกลายเป็นฟองทะเลและก่อนนที่รัก ลาก่อนนะพ่อพี่สาวให้อภัยข้า ด, ด้วยลาก่อนท่านใดนั้นพลังงานพิเศษก็พาเธอขึ้นจากน่านน้านางฟ้าแห่งอากาศพาเธอออกจากทะเลโอ้ท่านเทพธิดาขอบคุณมากท่านช่วยชีวิตลูกสาวข้าเออฉันอยู่ไหนเนี่ยจะอยู่กับเราบทอากาศเราคือนางฟ้าแห่งอากาศ เรามาที่นี่จะให้รางวัลตอบแทนความมีจิตใจดีของเจ้าความรักของเจ้าต่อมนุษย์และสัตว์ทะเลนั่นเองตอนนี้เจ้าจะได้รับจิตวิญญาณของผู้มีอายุขและเจ้าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในอนาคตขอบคุณมากนะคะนางฟ้าแม่ชูนหัวนางเงือกน้อยบอกลากครั้งสุดท้ายกับทุกคนข้าจะรักเจ้าตลอดไปองค์ชายของข้าชาตินหน้าจาจะได้มาเป็นคนรักของข้าอีก แล้วก่อนที่รักแล้วก็เธอขึ้นไปบนท้องฟ้ากับนางฟ้าแห่งอากาศ